สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นการสรุปคําสอนเรื่องวันสะบาโตพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่สี่สิบสองนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ทรงผู้ซึ่งเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้และท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อไม้อ้อชำแล้วท่านจะไม่หักไสตะเกียงเป็นควันจนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ และบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้ให้กับท่านดีนะครับคําว่าเพื่ใช้ของเรานะครับผู้ซึ่งเราเลือกสรรไว้นั้นก็หมายถึงพระเยซูครับพระเยซูนั้นพรงเป็นผู้ที่รับวิญญาณของพระบิดาเจ้าสวมไว้อยู่ในพระองค์และพระเยซูพรงทรงเป็นผู้ประกาศความยุติธรรมให้ไปถึงบรรดาประชาชาติทั้งหลายครับ เปเยซูไม่ได้ทะเลาะวิวาสพระองค์ไม่ได้ร้องเสียงดังนะครับพระองค์ไม่เคยหักไม้อ้อที่ชำแล้วพระองค์ไม่เคยดับไชตะเกียงที่ริปรีครับระเยซูเป็นผู้ที่จะนำความยุติธรรมนะครับมาชูแผ่นดินโลกนี้ให้มีชัยชนะและบรรดาปัชาชาติก็คือหมายถึงพวกเราทั้งหลายครับจะฝากความหวังไว้กับพระองค์ที่น้องครับที่นี่ได้สรุปในเรื่องราวของระเยซูครับและ เปเยซูนั้นทรงประสงค์ให้มีความยุติธรรมและความเมตตาแก่ทุกๆคนครับองไม่ต้องการให้กฎวันสะบาโตนั้นกีดกันนะครับไม่ให้คนหิวโหยอดจากนะครับเปเยซูไม่ต้องการให้วันสะบาโตนั้นจะเป็นการที่บีบบังคับกีดกันคนไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือทั้งๆ ท, ที่พวกเขาเจ็บป่วยนะครับพี่น้องที่รักครับ จึงเป็นการไม่แปลกนะครับที่บางครั้งเราเรียกพระเยซูว่าพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูทรงมีน้ำพระทัยเอ็นดูสงสารนะครับคนที่เจ็บแข้ได้ป่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่อยู่ในความลำบากเราร้องเพลงว่าพระเยซูเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเราเห็นถึงความเอ็นดูสงสารที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราผู้ตกทุกข์ได้ยาก่น้องครับ เหตุเนื่องจากวันสบาโตนี่เองทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนะครับเป็นทุกข์ในพระทัยยิ่งหนักและพระเยซูทรงปริ้วครับกับพวกที่เป็นพวกหน้าชื่อใจคดนะครับที่สั่งสอนให้คนอื่นรักษากฎเกณฑ์จริงๆแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้พระเยซูมีความโกรธนะครับเมื่อเผชิญกับความอายุธรรมพระเยซูทรงมีความทุกข์ใจเข้าใจนะครับเมื่อเห็นว่าคนเห็นกฎเกณฑ์สาคัญกว่าชีวิต พี่น้องครับการที่คนที่เป็นอัมพฤกนะครับอัมพาตสามสิบแปดปีเนี่ยนะครับเขาได้รับการรักษาที่ข้างบ่อน้ําเวสไซดาการที่ชายมือรีบนะครับเหยียดมือออกนะฮะได้รับการรักษาสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําและแม้กระทั่งสาวกของพระองค์นะครับที่เด็ดรวงข้าวกินในวันสาบาโตนะครับสามเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับสามวันนี้นะครับพี่น้องครับ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหตุที่ทําให้เราได้เข้าใจวันสะบาโตมากยิ่งขึ้นครับว่าจริงๆแล้ววันสะบาโตเนี่ยนะครับตั้งไว้สําหรับมนุษย์ครับและพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ตั้งวันสะบาโตพระเยซูเป็นเจ้าของวันสะบาโตเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวันสะบาโตตั้งไว้กับมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นได้รับพรในวันสะบาโตนะครับ มีวัตถุประสงค์ของวันสบาโตอย่างน้อยนะครับห้าข้อซึ่งผมได้เคยพูดไปแล้วเมื่อครั้งแรกนะครับผมจะขออนุญาตสรุปและทบทวนในวันนี้วัตถุประสงค์ของวันสบาโตนะครับอย่างน้อยห้าข้อข้อแรกคือเป็นวันแห่งการพักสงบนะครับเป็นวันแห่งการไข้ครวนชีวิตของเราเป็นวันแห่งการไข้ครวนภาวนานับพักพรของพระเจ้าข้อที่สองครับเป็นวันแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นวันแห่งการสารภาพบาปเป็นวันที่บริสุทธิ์ ที่เราทั้งหลายจะต้องยอมเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์เพื่อที่จะรับการชำระบาปอันเนื่องด้วยจากการสารภาพบาปและเมื่อเรานำมาสการพระเจ้าด้วยปัสแจกบนทินปสัสแจกความบาป ค, ครับการนมาสการพระเจ้าของเราจึงเป็นการนมาสการด้วยจิตอิน ญ, ญาและความจริงที่ต่อเชื่อมมีธรรมะที่ทำกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเราประการที่สามครับวัตถุประสงค์ก็คือเป็นช่องทางที่เราจะรับพระพร และส่งต่อพระพรไปถึงลูกหลานนะครับเป็นช่องทางที่เราจะรับพระพรเข้าสู่ชีวิตของเราและส่งต่อพระพรนี้ไปถึงลูกหลานไปถึงคนอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันสบาโตนะครับจึงเป็นวันแห่งการรับพรประการที่สี่ครับวันสบาโตนั้นเป็นการสาแดงการเชื่อฟังนะครับเป็นการสาแดงท่าทีแห่งความเชื่อที่ออกมาเป็นการเชื่อฟังครับนะครับ ประการสุดท้ายครับการรักษาวันสะบาโตนั้นเป็นการสัแเดงถึงความเป็นประชากรนะครับของพวกเราทั้งหลายมีห้าประการครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาวันสะบาโตหรือพระเจ้าได้ตั้งวันสะบาโตนี้ไว้เพื่อมนุษย์นะพี่น้องครับในพระจนะของพระเจ้านั้นได้ทำให้เราแม่แน่ใจนะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นเจ้าของวันสะบาโตครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องรักษาวันสบาโตของเราให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งไว้บรรลุเป็นการที่ไม่ถูกต้องนะครับที่จะลืมวันแห่งองค์ผู้เป็นเจ้าหรือวันสบาโตเป็นการไม่ถูกต้องนะครับที่จะไม่พักหลายหลาคนใช้วันสบาโตไปในทางที่ไม่ค่อยถูกนะครับก็คือไปทามาหากินนะครับหรือเด็กๆบางคนอนุชนบางคนอาจจะใช้เวลาวันสบาโตนี้ ไปเรียนพิเศษนะครับไปเรียนดนตรีไปเรียนวิชาต่างๆนะครับพี่น้องครับสิ่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบและขอเตือนด้วยความรักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับในวันสมาโตนั้นเราจะต้องพักครับพระเจ้านะครับมีน้ำมัไทยที่ดีสําหรับวันสมาโตครับเราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ไปติวนะครับหรือไม่ได้ไปเรียนพิเศษวันสมาโตแต่พระเจ้านะครับอาจจะให้ เด็กๆ เ, เหล่านี้มีความจําที่ดีเรียนหนังสือทีเดียวก็จําได้เรียนหนังสือทีเดียวก็เข้าใจมากกว่าคนอื่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าสามารถประทานให้กับลูกหลานของท่านได้วันสบาโตนั้นควรจะเป็นวันที่เราพาลูกหลานของเรามาโบสถมาเรียนละ ว, วีให้ทันวันสบาโตนั้นเป็นวันที่เราทั้งหลายจะต้องพักเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าวันสบาโตนั้น ควรจะต้องเป็นวันของครอบครัวนะครับที่เราจะต้องให้กับครอบครัวของเราเพื่อที่เราจะได้มีความสามัคคีธรรมมีแท่นบูชาในครอบครัววันสบาโตนั้นเป็นวันที่เราจะล้ำลึกและนับ พ, พักผรอนของพระเจ้าวันสบาโตนั้นเป็นวันแห่งการสรารภาพบาปเป็นวันแห่งการมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟ้นใกล้ชิดกับองค์พระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นอยากให้วันสบาโตนั้นเป็นเหตุที่เป็นช่องทางที่เราจะอบรมเลี้ยงดูลูกหลานนะครับ ให้ถือรักษาวันสบาโตและจะปลูกฝังแนวคิดและวินัยใช้ต่างๆในตัวลูกหลานของเราเพื่อที่เขาจะรู้คำสอนของพระเจ้าในวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะต้องสอนให้ลูกหลานของเรานั้นมีวินัยในการไปร่วมนอสการในการเรียนและวีที่พระนิเวศของพระเจ้าในวันสบาโตขอพระเจ้าอาวายพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันสบาโตทุกๆสบาโตแต่ในนี้ต่อไปอาเมน